อตอนนี้ได้ข่าวว่าลิงเ่ลิงกาลังกลายเป็นปัญหาระดับประเทศนะเพราะว่ามันก่อกวนนะที่ต่างๆมากมายแล้วเมื่อวานนี้เขาก็รายงานว่ามีประมาณสี่สิบกว่าจังหวัดเกือบห้าสิบจังหวัดนะที่เดือดร้อนเพราะลิงนะลิงที่มันอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะ เช่นแถวสารพักการลบบุรีแถวเขาสามรายยอดอะไรพวกนี้มันก็มีบางพวกนี่เริ่มสร้างปัญหารุนแรงมากขึ้นเช่นไปกัดคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนี่มันชอบนะอาจจะไม่กัด น, นะแต่ว่าไปแย่งเอาขนมไปแย่งเอาอาหาร กับผู้ชายนี่มันไม่กล้าจะกับเด็กผู้หญิงนี่กับเด็กแล้วก็ผู้หญิงนี่มันเข้าไปแย่งเอาอาหารแย่งเอาขนมในหลายทีมก็เข้าไปในบ้านเข้าไปขโมยของไปค้นหาอาหารเดี๋ยวนี้ลิงมันเปิดตู้เย็นได้แล้วนะลิงเปิดตู้เย็นได้แล้วนะลิงกดรีโมทคอนโทรลได้ด้วยนะกดรีโมทโทรทัศน์นี่ได้ด้วยนะ ลิงไทยเนี่ยนะหลายแห่งนี่ชาวบ้านนี่ต้องย้ายบ้านหนีเลยนะเพราะทำมาหากินไม่ได้มันเข้าไปรังควานที่ปลูกผกักปลูกกล้วยปลูกผลไม้นี่ก็ถูกมันเข้าไปทำลายก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ภูหลงนี่ก็ลิงก็เป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะ มันมีลิงประมาณสองสามฝูงแล้วก็ก้าวร้ามากขึ้นเขาก็เลยกำลังกลายเป็นวารักแห่งชาตินะว่าจะจัดการกับลิีงอย่างไรไอเลิงนี่มันจัดการยากนะเพราะว่ามันฉลาด<ม>เขาทางกรมอุิยานี่เคย ล่อลิงนะให้เข้าไปในกรงเปิดประตูกรงเอาไว้แล้วก็เอาอาหารใส่ไว้ในกรงลิงมันเข้าไปกินอาหารเสร็จ แ, แล้วก็ปิดประตูกรงมันก็ออกมาไม่ได้แต่ทำอย่างนี้ได้สักแค่สามสี่ครั้งก็ไม่ได้ผลละมันทำยังไง ร, รู้ไหม เวลาลิงมันเข้าไปในกรงมันก็เอามือยันประตูไว้นะมือซ้ายก็ไปคว้าเอาอาหารมือขวาก็ยันกรงยันประตูไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ออกมาได้ไอ้กรงที่ทำลงทุนไปเป็นร้อยเป็นพันก็ใช้ไม่ได้แนละ้วเปลี่ยนใหม่มาเป็นใช้วิธีการยิงยาสลบก็ใช้ได้สักสามสี่ครั้ง ตอนหลังนี่เพียงแค่เขาง้างไก่เนี่ยมันก็รู้แล้วมันก็หลบหายไปมีคนหนึ่งเขาเล่าว่านี่เ้ามีหน้าที่จับลิงไปปล่อยที่อื่นเนี่ยลิงมีประมาณหกสิบหกตัวต้องใช้เวลาสองปีนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆไอ้ลิงนี่มันฉลาดมากเดี๋ยวนี้ลิงมันรู้จักวิธีการ เรียกค่าไถาด้วยนะมันก็เข้าไปขโมยเอากระเป๋าบ้างเอาโทรศัพท์นะมันกินไม่ได้นะกระเป๋าโทรศัพท์เนี่ยแต่ว่ามันเอาไปเพราะอะไรมันจะรอเอาค่าไถนะต้องเอาขนมนไปให้มันกินเอากล้วยให้มันมันยกยย็ยอมปล่อยอ ย, ยอมปล่อยรงเอาปล่อยกระเป๋ายอมปล่อยโทรศัพท์นะ อันนี้ก็กําลังสร้างความปวดหัวใกับคนจํานวนมากนะอนที่วัดป่ามหาวันก็เหมือนกันแต่ก่อนลิงนี่มันกลัวมันกลัวจระเข้นะเอาจระเข้ตุ๊กตาไปวางไว้ในครัววางไว้ไกลๆนี่มันก็ไม่กล้าลงมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันหัวรอยย่ อ, ยอแล้วนะบางทีมันเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาจระเข้ไปไปทิ้งก็มี เคยมีการยิงนะใช้ใช้หนังสติ๊กยิงนะพอเราเผลอมันก็เอาเอ า, เอาหนังสติ๊กไปทิ้งนะนะมันฉลาดมากลิงนี่จะเรียกว่ามันฉลาดพ่อพ อ, พอคนหรือใกล้ๆคนเลยคือคนฉลาดอย่างไรลิงมันก็ฉลาดใกล้ๆกันเพราะว่ามันเรียนรู้จากการกระทําของมนุษย์นะเราเปิดตู้เย็นเป็นมันก็เปิดเป็นนะ เราเปิดประตูครัวเนี่ยเที่ผู้หลงเนี่ยประตูครัวนี่นะใช้วิธีเลื่อนสลักเอามันก็เลื่อนเป็นเหมือนกันนะเราเราใช้รีโมทคอนโทรลเปิดโทรทัศน์เป็นมันก็ทำเป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับมันยากนะเพราะว่ามันคอยสอดส่องดูว่าเราทำอะไรแล้วมันก็ทำตามหรือไม่ก็รู้ทัน ต่ว่าลิงฉลาดยังไงนะมันก็ฉลาดไม่เท่ากิเลสมนุษย์นะกิเลสเรานี่ฉลาดกว่าลิงนะจบปริญญาเอกเราจบปริญญาเอกกิเลมก็จบปริญญาเอกเหมือนกันถ้าจบปริญญาโทนะกิเลมก็จบปริญญาโทเหมือนกันกิลิงนี่มันฉลาดน้องๆ้องมนุษย์แต่ว่ามันไม่ฉลาดเท่าแต่กิเลนี่มันฉลาดเท่าฉลาดเท่าเราเลยนะ เรารู้มากแค่ไหนมันก็รู้มากเท่านั้นแหละและ้วมันอนหาทางหลอกล่อเราจนได้มีเพื่อนคนหนึงเป็นอาจารย์ที่หมหาลัยหัดใหญ่ช่วงนี้เขาบอกว่ามีกำหนดที่ต้องเขียนตำราเขียนตำราแต่ว่าเขียนไม่ได้สักทีเลยเวลาจะลงมือเขียนตำรา มันก็มีเรื่องมีมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้อยากทำนะเขียนไปได้สักหน่อยสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวกนะ็ต้องไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนสักหน่อยเพื่อนไม่สบายเดี๋ยวต้องไปซื้อของสักหน่อยน ะ, นะะเดี๋ยวต้องไปกราบพระทาบุญหน่อยคือมันจะมีเรื่องให้ทำโน้นทำนี่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะเพราะว่า กิเลสมันหลอกไปนะกิเลสมันไม่อยากเขียนตํารามันเบื่อมันก็คิดโปรเจกต์โน่นนี่ให้ให้เราหลงเชื่อคล้อยตามนะเนี่ยผ่านแป๊ะที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะโดนกิเลสมันหลอกนะกิเลสตัวนี้มันกิเลสชื่อตัวขี้เกียจนะมันหลอกให้ไปทำโน่นทํานี่ซะจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนตํารา ก็เลยบอกเขาว่านี่ต้องที่ผ่านมานี่ก็โดนกิเลสหลอกนะต้องรู้ทันกิเลสนะเราต้องสู้กับมันให้ได้นักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะบางคนตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติธรรมหนึ่งอาทิตย์ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็มีเหตุผลให้เลื่อนมีข้ออ้างให้ต้องเลื่อนอยู่เรื่อยๆบางทีข้ออ้างที่ใช้บ่อยคือว่าเราก็สบายดีอยู่แล้วนะจะมา เข้าคอสปฏิบัติธรรมทาไมเรายังไม่ได้ทุกอะไรเลยบางคนก็ให้ข้ออ้างว่าเอาไว้แก่ก่อนค่อยเข้าวัดค่อยปฏิบัติธรรมนัปฏิบัติธรรมเจอกิเลสเยอะนะหรือแม้แต่อุสาเอาชนะกิเลสพาตัวนี่มาถึงวัดได้พอจะลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติไปได้สักหน่อยเดินจงกรมไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงสร้างจังหวะไปได้สักอสองสามชั่วโมง เดี๋ยวมันอยากจะทํำน่นทํานี่แล้วซักผ้าดีกว่ากวาดใบไม้ดีกว่าวไปช่วยครัวดีกว่านะอันนี้ให้รู้ว่ากิเลสนะแล้วมันหลอกเราได้นะมันหลอกเราด้วยการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันดีๆนะเช่นไปช่วยงานในครัวไปกวาดกวาดใบไม้นะแถวหอไตแถวศาลาไก่ดีกว่านะ มันจะหาเรื่องเป็นข้ออ้างให้เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าเลิกปฏิบัติธรรมต้องรู้ทันนะรู้ทันมันต้องเตือนใจอยู่เส ม, มอว่าเราฉลาดแค่ไหนกิเลสมันก็ฉลาดแค่นั้นเหมือนกันเราต้องเหนือกว่ามันก็คือการมีสติกิเลสไม่มีสตินะแต่เมื่อเรามีสติได้และสตินี้ก็เอาชนะกิเลสได้เหมือนกันเอาแล้วก็เตรียมรับพร